วันนี้เป็นวันที่19กตุลาคมพุทธศักราช2555ัน้ราาในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทันวาสมัยเป็นน้อยหนุ่มเราไม่ได้สนใจไฝธรรมะไม่รู้จักมีแต่ธรรมะหาเลี้ยงชีพเรีว่าตโมตะมะปรายโนใครเขาว่าอย่างมืดมน กับส่วนสารวจนวุ่นวายกับการเป็นอยู่เรียกว่าตโมตรรปรายโนแต่เมื่อเราสูงอายุขึ้นมาแล้วควรจะหาทางออกเรียกว่าโชติปรายโนตโมปรายตโมตรรมปรายโนโชติเมื่อสมัยเป็นน้อยหนุ่มเราก็ควรเราหาอาชีพหาวิชาอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว กระบวนการวุ่นวายในการเลี้ยงครอบครัวพอสูงอายุขึ้นมาแล้วเราควรจะโชติคล้ายๆว่าหาทางออกส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทําความชั่วอะไรเราไม่ได้มีอะไรเบียดเบียนใครอื่นเราอยู่อย่างนี้ใช่อยู่อย่างนี้มันก็ดีในระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่ดีในระดับที่บัณฑิตนักปราช หรือปราธรรทำคำสอนของพระพุทธเจ้ายกย่องมันดีในระดับที่ไตัวเองคิดเท่านั้นเองตัวเองคิดว่ามันดีแต่ตามไม่จริงถ้าหาว่าผู้มีปัญญาเหนือกว่าหรือว่ามีแนวความคิดที่เหนือกว่าเขาก็ว่าเป็นความคิดที่อยู่ในวางบนถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายพอเลี้ยงอีกสักวันหนึ่งก็มีแต่แก่เท่าชลาไปเรื่อย เอาท่าว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่แก่เท่าชลาเหลือก็แก่เท่าชราเหมือนกันแต่ว่าในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าผู้ที่อยู่ในที่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดมันก็อยู่ในวงนังวนแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ก็ไม่จำเป็นะจะจะที่จะต้องทำความดีอย่างอื่นไม่จะไม่จำเป็นจะต้องทำ ไม่จำเป็นจะต้องสร้างไม่จะต้องเป็นไม่จำเป็นจะต้องคิดอย่างอื่นถ้าเราคิดว่าตายแล้วศูนย์แต่ถ้าว่าคิดว่าตายแล้วเกิดในหลักผลของพุทธศาสนาแล้วพวกเราควรจะหาทางออกแต่ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วศูนย์นั้นไม่ใช่ความคิดของตนเองจะคิดได้แล้วก็จะจบไม่ใช่ถ้าว่าคิดได้แล้วจบพวกเราคนคงคิดอะไรมามากต่อมาและมันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่า มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดอีกเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราคิดไม่คาดไม่คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดหรือมันจะเป็นอย่างนั้นแต่เนี่ยเราต้องอาศัยท่านผู้ ร, รู้เราต้องศึกษาเนี่ย<ำ>ว่าคําว่าศึกษาคํานี้แหละมันทุกวิชาอาชีพต้องศึกษาในหลักของพระพุทธศาส น, สนาก็เหมือนกันก็ต้องศึกษา อ, อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นศึกษาในเรื่องพระพุทธศาสนานี่ พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าถึงพวกท่านทั้งหลายจะเลี้ยงร่างกายด้วยปัจจัยสี่สมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนที่พักพ้าอาศัยหรูหราโออาขนาดไหนร่างกายของเราก็มันไม่คุ้นเชื่องยังเป็นอื่นอยู่เสมอจะต้องเฒ่าแก่ชราไปเรื่อยๆนี่แหละ ผลินสุดก็ถึงจุดจบของชีวิตอันนี้คือเลี้ยงร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วว่าเรื่องใจเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่ายิ่งกว่าร่างกายเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจตัวนี้ถ้าเราได้ศึกษาในรายละเอียดแล้ว ใจจะต้องนำออกจากร่างไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้อีกแล้วใจต้นนี้แหละจะต่ำหรือจะสูงส่งหรือจะเป็นคนดีและเป็นคนชั่วก็คือใจใจเป็นใหญ่ถ้าว่าใจของเราได้รับการอบรมที่ดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีการกระทำออกไปก็เป็นคนดี ถ้าหากว่า พ, พูดออกไปก็พูดในทางที่ดีแต่ถ้าว่าใจของเราไม่ได้รับการอบรมโมโหโกธาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอีต่างหากใจของเราก็เป็นใจที่มุทะลุใจของเราที่เอาแต่อยากจะทำตามใจตัวเองการที่อยากจะทำตามใจตนเองนั้นโดยมากมันไปทางต่ำทางไหนเป็นทางต่ำจะไปทางนั้น ถ้าไม่รับไม่ได้รับการอบรมแต่ถ้าว่าได้รับการอบรมสิ่งที่ทำไปนั้นทำตนให้เดือดร้อนนะทำค น, คนอื่นเดือดร้อนนะอันนี้เราก็ต้องห้ามเราจะไม่คิดเราจะไม่พูดเราจะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละอันนี้ก็คือพื้นฐานพื้นฐานแห่งแนวความคิดพื้นฐานคุณงามความดีนั้นต่อไปเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยแหละ ศึกษาไปเรื่อยๆจนถึงนั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธินั่งยังไงดูยังไงดูใจยังไงถ้าดูใจก็ดูที่แนวความคิดของตนเองร่างกายเป็นส่วนหนึ่งร่างกาย เ, ยเหมือนกับศาลาหลังนี้แหละแต่ส่วนจิตใจนั้นเหมือนกับเข้าพวกเราเข้ามาอยู่ในศาลาแต่ลุงพ่อเอง เียบเทียบซาลากับคนมันก็ยังห่างกันอยู่หลวงพ่อเนเปรียบรถกับคนขับรถเอออันเน้นดูสิว่าซาลามันมันไปไม่เป็นมันขยับขยื่นไม่ได้แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับคนกับคนขับรถน่ยคนขับรถกับรถอันนั้นเปรียบเทียบได้เห็นได้ชัดกว่าเพราะเหตุใดเพราะรถเหมือนกับร่างกายแต่คนขับรถเนี่ยเหมือนกับจิตใจเขาอยู่ในร่างกายแต่ว่า เรามองด้วยตาเนื้อเรามองธรรมดาจะไม่เห็นแต่ถ้าว่านั่งสมาธิและปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำํำจะเห็นได้ชัดเลยเมื่อจิตใจรวมสงบเท่าไหร่นิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นใจตัวเองได้ชัดแใน ก, การแสดงออกของใจก็เห็นได้ชัดการสั่งงานของใจก็เห็นได้ชัดการรับภายนอกเข้ามาก็เห็นได้ชัด การรับภายนอกคือประตูประตูหน้าต่างของใจมีหลายทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจมีประตูอยู่ห้าบานทางตาตาเห็นรูปเป็นที่พอใจไม่ไม่พอใจหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจจมูกได้ลม้ดมดงกลิ่นพอใจไม่พอใจ ลิ้นในริมรถพอใจไม่พอใจร่างกายไปสมสัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งหนาวาหิวกระหายพอใจไม่พอใจหน้าต่างเราเนี่ยมันเปิดเข้าไปหาใจทั้งหมดไม่ใช่เปิดไปหาใจใจออกมาโผโผดูทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรับรู้รับสัมผัสทั้งหมดเพราะนั้นใจของเราเนี่ย ถ้าดูให้ชัดแล้วมันวิ่งลอกวิ่งลอกอยู่ตลอดมันมันอยู่ในนี้ออกจากนี้มันยังออกไปข้างนอกอีกออกไปทางไกลอีกจนลืมตัวอีกไม่รู้มันไปทางไหนรู่นคิดไปถึงอเมริกาอังกฤษอเมริกาคู่คนที่ไหนตัวที่ไหนมันส่งไปเรื่อยอันนั้นก็คือมันส่งออกตัวเองก็นั่งโดดเดี่อยู่เฉยพอ จากนั้นมาพอเขากระตุกยังจะรุ่งเฮือกกลับเขามาหาตัวเองอีกจากนั้นก็พอเห็นตัวเองเขมองไปทางตาทางหูทางจกมองอีกสรุปแล้วคือใจของเราเนี่ยตัวยุ่งชัดๆเลยถ้าถ้าพูดตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วใจของเราเนี่ยมันตัวยุ่งจริงๆแต่จะทํำยังไงใจของเราไม่ให้มันยุ่งไม่ให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่แหละ ให้ใช้กรรมาฐานกรรมาฐานก็คือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอกไม่ให้มันรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างอื่นให้มันรู้อยู่ที่เดียวนี่แหละวิธีการสะกดจิตหรือวิธีการจับผู้รู้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกในเมื่ อ, อเมื่อใจของเราอยู่ในลมหายใจเข้าออกแล้ว ใจไม่ออกไปข้างนอกแล้วใจไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใจไม่กระสับกระส่ายใจไม่หิวไม่หยใจไม่ทุรนทลายใจของเราไม่ไม่ทุกไม่ไม่รับรู้รับเรื่องต่างๆใจของเรารวมสงบเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งนี่แหละหลักของพุทธศาสนาทาใจให้เป็นหนึ่งเมื่อใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้ว ท่านบอกว่านาทีสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้แหละอันนี้พวกเราได้รับริมรสแห่งความสงบเพียงแค่นี้แหละในหลักของพระพุทธศาสนาหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกได้เลยว่าพวกเราจะจำไม่ลืมความสุขเพียงความสงบเพียงครั้งเดียวเราจำไม่ลืม มันมีความสุขที่ละเอียดอ่อนเป็นความสุขที่เย็นสบายอย่างสุดๆไม่เหมือนความสุขอย่างอื่นความสุขอย่างอื่นยังแฝงไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงแต่ความสุขันนี้เป็นความสุขที่ปล่อยวางเป็นความสุขที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นความสุขที่เป็นอิสระอิสระในความสุขท่านจังหวัดนัตถิสันติปรังสุขขัง สันติคือความสงบนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยู่นักสถานที่ใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ตามลำพังก่อนหลับก่อนนอนหรือว่า <ừ. S 1> ตื่นนอนขึ้นมาแล้วพยายามนั่งภาวนาห้านาทีสิบนาทียี่สนาทีถ้านั่งนา น, นานเท่าไรถ้าบังคับได้นานเท่าไรก็ยิ่งดี ทดลองดูตามไม่จริงนั่งให้นานนั่งให้นานไว้น่ะดีวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราจะนั่งภาวนาสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมในยี่สิชั่วโมงนั้นอันนี้ให้เราคิดไว้อย่างนั้นแต่ตามไม่จริมันก็ไม่ถือหรอกโดยมากใหม่ๆก็ทะเลทะไายทะไายทะเลไปไปเรื่อยแต่ผลที่สุดถ้าเห็นคุณในการนั่งสมาธิแล้วจะนั่งได้นานพอ น, นั่งได้นานท่นี้ พอเรารู้ในริมรถแท่งความสงบจากนั้นเราจะพยายามทำไปเรื่อยๆ เ, เพราะได้รับผ่านได้ผ่านความสงบแล้ว เ, เราจะมีความเย็นอกสบายใจนี่แหละอันนี้คือบาทฐานเบื้องต้นรว่วเรื่องของเบื้องต้นของการทำสมาธิต่อไปเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิในริ้มรถแห่งความสงบแล้ว ต่อไปความขยันมันจะเกิดขึ้นมาเองมันหาช่องทางเองเลยเหมือนกับเด็กนักเรียนทีเ่กเกิดมาใหม่ยังไม่คุไม่รู้คุณค่าในการเรียนไม่รู้จักผลในการเรียนเรียนไปเพื่ออะไรเด็กก็ไม่ไม่มีอนาคตที่จะคิดแต่เมื่อเด็กพออ่านพอรู้ผลแห่งการเรียนแล้วเนี่ยขยันเองเลยเราจะห้ามไม่เด็กไม่ให้เรียนไม่ได้ เด็กที่ฝ่ายในการศึกษามันขยันเองนี้ก็เหมือนกันใจของเราขณะที่ฝึกขัดใหม่เรายังไม่รู้ยังไม่รู้คุณค่าในเรื่องทมจิตใจเรื่องทาจิตใจให้สงบพวกเราก็ยัง เ, เลื่อนลั่นเลื่อนเลื่อนลางเลือนลางไปเรื่อยแต่พอเราเราได้รู้ว่าใจกับกายกายกับใจใจได้รับความสงบทำจิตใจให้นิ่งให้สงบ เมื่อได้รับความสงบนว่านัตติสันติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพวกเพราะนั้นเราเห็นคุณค่าเลยนี่ยความหมัดความหมันความขยันมันเข้ามาเองฮพอมันรู้เรื่องของการของงานใจของเรารู้การงานแล้วมันเป็นไปเองมันขยันเองมันรู้หน้าที่เองมันรู้จักวิธีการที่จะทํารู้จักวิธีการหลบเองในเมื่อเรา ไปทำทำหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรจากนั้นเราก็โอ้ไม่ไหวแล้วลำบากทุกข์เหลือเกินเกี่ยวกับคิดคู่กับคู่กับคนจากนั้นก็กำหนดภาวนาปล่อยวางทั้งหมดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกปล่อยวางทั้งหมดเรื่องทางคิดเรื่องคิดทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางออก ไม่ให้มันอยู่ในอารมณ์ทีนในใจของเราก็สบายอันนี้แปลว่าผู้รู้จักหลบรู้จักหลบหามุมหลบหามุมที่หลบอยู่ในสนามเพาะแต่ถ้าฝ่าผู้ที่ไม่รู้จักวิธีการหลบเรื่องราวต่างๆในโลกออกไปสู้ทั้งหมดมีเรื่องอะไรมาก็สู้ทั้งหมดรับรู้ทั้งหมดผลี่สุดนั้นแหละล้าใจของเราลา เพอเผ อ, เอคิดปุุงฟุง้งออกไปมากๆเดี๋ยวเป็นบ้าเป็นประสาทไปได้ไง่ายๆมอนกันนะถ้าไม่รู้จักไม่รู้จักกลบแต่รู้จักปล่อยวางแล้วนั่นหละจะไม่มีเพราะเหตุใดโรกเขาเนี่ย ม, มันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะมันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปเก่งกว่าโลกเขาเหรอถ้าเก่งวขาโลกเราล็แบกโรกยรับรู้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นเราต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางวางที่ไหนไม่ใช่วางที่อื่นวางที่ใจของเราขณะที่นั่งภาวนาวางตรงนั้นจุดนั้นละ่ะ<อ>ในช่วงนั้นละ่ะวางแต่ออกจากสมาธิแล้วเราก็รับหน้าที่ต่อไปแต่ถึงยังไงเราก็ได้เข้าไปหลบไปอยู่ในมุมหลบอยู่ในสถานที่หลบช่อนตบซ่อนอใจของเราได้รับความสงบและเป็นพลังลอะไหเราออกมาข้างนอก เราก็พร้อมที่จะคิดในเรื่องต่างๆได้ถ้าพอมันยุ่งเหยิงวุ่นวายหนักเข้าเราก็เข้าสมาธิปล่อยวางอีกเฉยจุดในความสงบถ้าคนทําอย่างนี้ได้นั่นแหละเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาหาเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเออมาลง ม, มันตุ่มก็พร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์เพราะเหตุไรเรารู้จัก ม, มกุมหลบรู้จักสมาธิใน ในเรื่องหลบหกิตแจของเราเลยรับความสงบมันเป็นพลังอีกส่วนหนึ่งมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยเป็นแนวการศึกษาแนวการคิดพวกเราท ด, ท, ดทดสอบดูนะถ้าว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่หนักใจให้กำหนดลมแต่โดยมากถ้าเราไมา่ได้ฝึกไว้ก่อนเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะถึงจะเข้าก็เข้าไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกแต่เราฝึกจนชนานาญแล้วนะ่ะ เออพอมันมีเรื่องขึ้นมามันจะวิ่งปุ๊บก็ามาปล่อยวางทิ้งมันหมดเลยอะน น, นมันปล่อยวางได้เออแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยฝึกไว้ก่อนเน่ยมันปล่อยวางไม่ได้แล้อพอดึงเข้ามาหาหมุมสงบไม่รู้ดึงลากอะไรเข้ามาด้วยอีลุงตุงนางอีลังตังนงกอนไปเรื่อยเนี่ยพราะอะไรเพราะมันตัดไม่ขาดเออมันยังพอจะตัดมันก็ยังมีเยื่อใยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่มันจะสงบได้อย่างไงใช่ไหม ถ้าเราเคยฝึกมาแล้วเนะี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ตัดทิ้งเนะียเฮ้ยจะไปนสนใจอะไรมากมายนักหนาเห็นไหมคนตายเข า, เ, ขาเอาเอาอะไรไปด้วยได้ที่เศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่เห็นไหมเขาแบกเ อ, เอาอะไรไปด้วยกระดูกของทั้งเขากระดูกทั้งกระดูกของเขาเขาทิ้งไปหมดนะเราจะไม่ทิ้งแล้วกระดูกของเราไนงะหรือใจนะหรือตัวผู้รู้หรือใจ น, ะนี่แหละถ้าใจได้รับ ผ่านความสงบมาแล้วเนี่ยมันจะมองเห็นได้ชัดนะมันจะมองเห็นได้ชัดจากนั้นเราก็ปล่อยวางที่ในใจของเรานะีอันนี้ก็คือพื้นฐานนะพื้นฐานเบื้องต้นที่พวกเราจะออกมาใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเรานี่แหละสมาธิมีประโยชน์มีประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ต่อไปเดินวิปัชนานะั้นยัค่อยว่ากันอีกเดินวิปัสนาในขั้น ลึกซึ้งต่อไปแต่มันก็มันก็ต้องนับหนึ่งจากนี้ไปก่อนนะกอไก่ซะก่อนขอไข่ขอขวดต่อไปก็ค่อยผสมสราระสระสราระต่อไปแต่ทางว่าตัวกอไก่ถึงของนกฮูกก็ยังจําไม่ได้เราจะไปเรียนตัวอื่นต่อไปก็คงยากอันนี้หลวงพ่อพูดวันนี้พูดในานามให้เรียนอพอเรียนแล้วก็พยายามผสมตนเอง ให้เรียนเบื้องต้นหาความสงบใส่ตัวเองก่อนจากนั้นก็มวิธีแนวความคิดรู้จักปล่อยวางนี่แหละอันนี้ก็คือเบื้องฐ า, า, านบาดฐานเบื้องต้นในชีวิตประจำวันของพวกเราถ้าพวกเราทำได้อย่างนี้หลวงพ่อว่าคนคนนั้นถึงจะมีเรื่องอะไรหนักหนาในจิตในใจก็ไม่ถึงกับฆ่าคนอื่นก็ไม่ถึงกับฆ่าตนเองก็ไม่ถึงกับเป็นบ้าเป็นบอพอเหตุไร พอโลกอนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปแบกก็เท่านั้นเราจะไปทําร้ายทำร้ายคนอื่นก็เท่านั้นเราจะฆ่าตนเองก็เท่านั้นจะเบียดเบียนคนอื่นจะเบียดเบียนตนก็เท่านั้นมันโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ต้องทําใจออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ทําใจของเราตนเองปล่อยวางที่ใจถ้าใจของเราสบายเสียอย่าง่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เงียบสงบไปด้วย ถึงจะไม่สงบใจของเราสงบก็พอแหละจะไปยุ่งอะไรมากมายนักหนาโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราจะไม่เกิดนี่นนแหละสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ใช่ปล่อยวางที่ไหนนะทุกลานคณะสัทธาตนะิรมปล่อยวางที่ใจนะรับพ่อนอมุตนาให้พอ